ทีนี้ก็มาดูการฝึกยิ่งขึ้นไปอีกตอนนี้แหละเรียกว่าอินซียภาวนาเป็นหลักที่ตรัสไว้ในอินสียภาวนาสูตรมาจิมมานิายอุปริปันนาในพระสูตรนี้ต่อจากตรัสการปฏิบัติแล้วยังตรัสให้เห็นความแตกต่างที่พึงเทียบกันระหว่างเสขปาติบทคือพระอริยะผู้ยังฝึกกับภาวิตินี คือพระอาหารหันต์ผู้ฝึกเสร็จแล้วที่เป็นภาวิตากายขอยกมาให้ดูพอรู้รูปเขาเรื่องมีว่าสมัยหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าประทับที่ป่าภัยในกระชังคณะนิคมอุตรมานกสิทธิของปาราสิริยรามเข้าไปเฝ้าพระองค์ตรัสถามเขาว่าปาราสิริยรามสอนหลักอินเซียภาวนาแกเหล่าสาวกใช่ไหม เมื่อเขารับว่าใช่พระองค์ก็ตรัสถามว่าปาราสิริยพรา์สอนการพัฒนาอินทรีย์อย่างไรเขาทูลตอบว่าปาราสิริยพรา์สอนอินทรียภาวนาโดยไม่ให้เอาตาดูรูปไม่เอาหูฟังเสียงพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าถ้าถือตามหลักที่พรามนี้สอนคนตาบอดคนหูหนกก็เป็นผาวิตินทรีย์ คือเป็นผู้ได้พัฒนาอินทรีย์แล้วละสิเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วอุตระมานพก็นั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิพานจากนั้นพระองค์ตรัสว่าการพัฒนาอินทรีย์อย่างที่ปาราสิริยพรา์สอนนั้นเป็นคนละอย่างต่างจากอินทรียภาวนาอย่างยอดเยี่ยมในแบบแผนของอรยชนในอริยวินัย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 สภาพทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแกเธอนั้นก็ดับหายอุเบกขาตั้งได้ที่สนิทดูกะระอานน์ภิกษุรูปหนึ่งรูปใดที่สภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจเกิดขึ้นแล้วก็ดับหายอุเบกขาตั้งได้ที่สนิทโดยเร็วโดยพลันทันทีโดยไม่ยากลาบาก เหมือนดังบุรุษมีตาดีลืมตาแล้วหลับตาหรือหลับตาแล้วลืมตาดูกะอาณน น, นี้เรียกว่าอินเสียภาวนาในรูปที่รู้ได้ด้วยจักสุอันยอดเยี่ยมในวิในของอาริยชนดูกะอานน์ข้ออื่นยังมีอีกเพราะได้ยินเสียงด้วยหูเพราะดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรสด้วยลิ้น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 เป็นอินเสียภาวนาอันยอดเยี่ยมในวินัยของอาริยชนช่วงที่สองแบ่งเป็นสองขั้นขั้นแรกข้อก่อเสกปาฏิบทผู้ยังฝึกศึกษาตรัสว่าดูกระอานนก็พระเสะผู้ยังปฏิบัติอยู่เป็นอย่างไรดูกระอานนเพราะเห็นรูปด้วยจักษุ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 เพราะดมกลิ่นด้วยจมูกเพราะลิ้มรสด้วยลิ้นเพราะถูกต้องโผฏฐะด้วยกายเพราะรู้ธรรมารมด้วยใจเธออึดอัดเบื่อนายรังเกียดด้วยสภาพน่าชอบใจสภาพไม่น่าชอบใจที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดูกระอาณน์อย่างนี้แหลชื่อว่าพระเสขผู้ยังปฏิบัติอยู่ช่วงที่สองขั้นที่สองข้อขอ พาวิตินรีผู้ศึกษาพัฒนาจบแล้วตรัสว่าดูกะระอานนท์ก็พระอริยะผู้พาวิตินรีคือผู้ได้พัฒนาอินรีแล้วเป็นอย่างไรดูกระรอานน์เพราะเห็นรูปด้วยจักสุสภาพที่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ไม่น่าชอบใจก็เกิดขึ้นสภาพที่ทั้งน่าชอบใจและไม่น่าชอบใจ ก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุในธรรมวิไนยนี้เธอนั้นหากจำนงว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้หากจำนงว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งไม่ปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้ หากจำงว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งทั้งปฏิกูลและไม่ปฏิกูลว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู <S <S ha ses, ้ในสิ่งนั้นๆว่าเป็นของไม่ปฏิกูลอยู่ได้หากจำงว่าเราจะหมายรู้ในสิ่งทั้งไม่ปฏิกูลและปฏิกูลว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ก็เป็นผู้มีความหมายรู้ในสิ่งนั้นนั้นว่าเป็นของปฏิกูลอยู่ได้หากจำงว่า